เนี่ยตรงนี้มีเป็นการพิเศษใช่ไหมที่โจทย์ที่สุดเร่องปรัชนาช่นที่สุที่ทย่างนี้นะก็ถือว่าเป็นมจทของผู้นิสายสี่ดูก่อที่สุดขั้งหนาอีกข้อหนึ่งครับทิ่สุผู้เรียนตามารูปในทำวินันี้ย่อมสงเคราะห์ที่จก่อนขึ้นหันขึ้นมาเนีครับดูริมกระจกกระแทกขึ้นหันนะด้วยขลุ่ยพันคลื่นวริขาของสงคืออาราพื้นที่อารา วิหารคืนที่วิหารเตียสั่งพุ่งหมอนมอโลหะอานโลหะผ่านโลหะกับข้าโลหะมีความผืต่อสว่างเขาวันนันไผ่หากอรก่าญยากล้องหญาหาวันดินเีนียวึ้งเครื่องไม้เครืดินนะครับด้วยความมานนี้เป็นมหาันเป็นพวกที่สี่มีปราคนอยู่ในโลกนะครับเนี่ยนะครับเวลกระจกมาณสองข้อาว่านะด้วยสิ่งเหล่านี้นยขนาดว่าอาณาพื้นที่อาณาใหญ่เลยนะ แต่งวันให้โยมเลยเชนนี้อริยกรรมอะไรนะโยมนี่เลือกสรรกรรมฐายหว่าที่เนั้นเป็นคุณลเดีไหมมหาจุลปุระอะไรได้ยิ่งเยอะนะครับก็แบ่งนี้โยอริยกรรมอะไรนะเป็นมหาโตจะพูดสี่คำถ้าดูกรพิสุทธิ์ทั้งหลายพิสุทิผู้กร่าวอุตริมรุษธรรมอันไม่มีอยู่ไม่อันไม่มีจริงครับนี้จัดเป็นยอดมหาโตเลยนะ พวกการอุ่นสีอุุนตะคำนะครับที่ไม่มีไม่มจริงนะนี้จะเป็นยอดมะแหงโจรในโลกพร้อมทเ้งเโลกมาโลกค ม, โล ก, มโลกในหมูสัตพร้อมทั้งกรรมนะกทางเรรมดาแะมนุษพ่อนั้นพอเหตุไรเพราะผู้สูนั้นฉันก่อนข้าวชาวบ้นไว้เด้วยการเห็นขโมยด้วยการเห็นขโมคยคืเอะไรด้วยการที่หลอกลวกเขากินอย่างไรนะครับโดยไม่ได้มารู้จริงนะแต่ไปหลอกงชาวโกวาได้มบรูทร้ที่มนหร ที่เขาสั่งการดูสายนกข้อของมะข่ายเัวนกข้อตกลงข้อแล้วไปฉันข้อเนี่ยเพื่อการพมุนเรเพราะมันมีการวาอยูนนะนี่เราพวกพิฆาตเนี yes. ่ถือว่าเป็นมหาโตนะยอดโตนะนี่เาเนี่แล้วก็นิคมปัญหาเราตรงนี้ก็เรน่องควนี้ตัดไปไม่ได้นะเป็นใจความสาคัญนะเรานิคมปัญหาในปัญหาสรุปนะ็มับความรูนะ ที่สูตรใดประกาศเอาอันมีด้วยอาการถือด้วยอาการอยับถือพอชนะนั้นอันพิสูจนนั้นฉันแล้วด้วยอาการเห็นคนขโมยดุทางลบลวงตับลบชนะนั้นที่สุตรผู้เรวตาเป็นมากมีผ้าการสาวัตพันคอมีทอมต า, าไม่สมบรณ์กกแล้วที่สูตรผู้เรีวตาเหล่านั้นต้องเข้าถึงซึง่งเราเพราะคำทัหลายที่เรียวตาที่สูตรผู้ผู้สีผู้ไม่สกกนบูรณ์ไห บริโภอกอนเหล็กแดงนเปลวไฟก็เสริกกว่าการสั่นก้อนข้าวชาวนาชาวไวน่ครับจะกระเสริฐอะไรเพราะว่าอะไรเพราะ่าถ้ากินก้อนเหล็กแดงนะใช่ไ้มมราก็แค่การว่งทูกปันตายใมครับไม่เป็นไอ้ก้อถึงปัล้วก็ติที่หมากรุกนะแต่ว่าเดยไปหลอกลวงชาวนาแล้วใช่ไครับและไปรั่เข้ามากินมาฉเงี่ยก็จะเป็นเข้กอนถึงปันทุก็ติที่หมากรุกนะ เล้วพระหลวก็ทรงไปอยัาสิลปนขามตัวนี้ขึ้นมานลครับทรงอยัดศิลป์ขามไอผมข้าวมาถึงมันหยัดคือจุดนี้ที่มันยักตาอีกหน่แกนนะครับก็ทรงไปหยัดขึ้นมาคืออ๋องาเจ้าก็ได้สี่นี่ว่าให้ให้โย่เท่าที่นะแต่โอเคเจอละหานีว่าทาทำเสียเลยอันนี้ให้เลยครับ ส่งข้อเที่ยงของนะเดี๋ยวนะครับถ้าให้เช่านะแต่ความคิดแค่พี่ว่าเราเยอะนะเราให้เขาเช่าก็ได้เราแต่ความยาวนี่ไหนนะให้บยิหารทรัพยากรเป็นตางะครับแล้วเราก็เอาข้อเที่ยงไปนะที่ได้อย่างข้างๆนั้นมาได้ครับแต่ถ้าใช้ทํำในว่างเลยนี่มันก็เปิดเซเว่นในว่างนี้แต่ถ้าไม่รบกวนพี่นะอยู่มุมหนึ่งใชไหมครับ และก็ได e ้กำไรกลับมานะเขาก็อาถวายกับป ah ิยันธ์อะไรการถวายคือไปทางนี้วัตรใช่ไหมนี้ก็ได้ไม่ได้เลยยุติได้ท่าไรเนี่ยคือข้ามมายเท่าแรกนะก็เหมือนเพ่อขายในวันวิธีเมื่อไรก็ได้ครับแต่ไม่มีคาว่าอัญญัตาราที่มานานะแล้วไว้แต่บาคว่าได้มาลูกนะครับคำนี้ยังไม่มีใน้ามัญญาทั้งแรกครับไม่มีนะนี้ครับแล้วยสมัยน้นแรก็มีเรื่องเกิดขึ้นนะครับ พิสูนไปอันมากนะท่านสาคัญตนนะครับสคัญน้อฝนตนนีงไม่ได้เห็นนะครับว่าได้เห็นสำคัญน้ำฝนตนี้ไม่ได้เห็นว่าได้เห็นนะก็เหมือนจะไดู้กก็วนะคือวิสุจนพวกนี้นะครับถ้าไม่เข้าใจผีว่าไั้เปลูกป็านี่ยังหนคนะอย่ที่ว่านะครับเมื่อสายกาลังของสมรภัณห์วิปัสนานะหรือว่าต้องของอย่างคมกิเลสนะครับจะไม่พุ่งลุ่มนะในช่วงนั้นนะครับท่านก็เลยพัดย้อนตัวอย่างไป เป็นผ้าเรื so, ่บ so, right so, ุคคลเป็นผ้าหันด้นะครับครั้นต่อมาครั้นต่อมานะข้อความที่ท่านเ่านะเนี่ยก็เรียนรู้จิตนะครับจิตของผู้คนท้น้องแลุผู้างกำหนับก็มีอยครับน้องไปเพื่อความขัดเกลือนก็มีน้องไปเพื่อความหองก็มีก็เลยรู้เลว่าเราไม่ได้เป็นผ้าเรื่องเราไม่ได้เป็นผ้าหันเราเพราเราเพื่อความรู้องเราห่ล้วไม่ใช่ผ้าหันก็เลยาเกลื่อขึ้นมานะครับพ่อเคยเล่าบอกไปแล้วนะตอนนี้สคัญากแน่เรารู้นะครับ ก็ได like, ้บอกให้เ uh. พ so ื่อนพี to to to ่สูด้วย่อนรู้นะแต่ทีหลังเมื่อติดของตัวเองเนี่ยวลา้าตัวสามมาขึ้นมาก็เลยรู้ตัวว่าไม่ใช่พกันะครับได้รังเกียจขึ้นมาแล้วว่าอีข้ามบทอวี้มากมากเจ้าสมบันยันไว้แล้วแต่พวกเราเนี่ยเราสำคัญมากบทที่ตนไม่ได้เห็นมากได้เห็นเปต้นนะคือสาคัญผิดว่าเคยได้มารลุมีแรนะครับเจอปวดแอบมากบตามที่สำคัญก็ได้รรลนะครับพวกเราเจ้าบัดปลา่ชี้ประกำมังหนู แล้วก็เรื่องนี้ไปแท้ท่านตาโนนนะท่านนั้ก็ถามเรื่องพุทโธงต้านะครับพเรองเจาก็ถามว่ามีอยู่เหมือนกันอาโนนข้อได้รู้สูตรทั้งหลายสำคัญว่าผลที่ตรงนี้ได้เห็นบ้าได้เห็นที่ยังไม่ได้เห็นได้เห็นที่ยังไม่ได้บรรุก็ได้บรรลุนะครับสรุปนะที่ยังไม่ได้ทใหแจ้งว่าทำใหแจ้งนะรัจึงอวดอ้างว่าผลตามที่สำคัญก็ได้มารลุแต่ข้อนั้นนั่นแหะเป็นอภูมิคริบ อภูษานี่คออะไรนิ่าีคได้ยินคำนี้ไหอภาานิเคยคิดว่าไมูเคยรู้ความหมายใช่ไเคยได้ยินชื่อือเาอาริแปลว่าไม่ควรกล่าวว่าเป็นอาบัตนะครับแต่ภาษาบางที่ก็กแปละ่าเลกน้อยเป็นเล็กน้อยใช่แล้แต่าปลว่าไม่ควรกล่าวว่าเป็นอาบัตคือเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะกล่าวว่าเป็นอาบัตหรอกนะครับในกรณีนี้นะไมนเป็นอาบัตนะครับเพราะด้า้านนสคัญถือว่าเรามาูนะ และก็บอกไปนะครับาง น, นี้ไม่เป็นธารมพราหมชิดการีจะ เ, เขียนใช<ม>่ไหมโครงการน้นะอรนนะอนคอาไปแล้วกันไม่คนกลาวว่าเป็นอามนะครับและก็ณคออก็สอนญญที่บรรยายาทีมาอั น, น, น, นุีับรรยายก็อยมาอ่านในบทสุริยทีเมื่ะเคียนนะก็มีข้อของมูลนะครับคำไปก็มาดูรายการสารนะประเด็นขอ ง, นะของสาร ข้อที่สี่อาชีานตรีมุสตะธรรมนะครับสิกขาบทสิกขาบมว่าด้วยการบวญคนพิเศษที่ไม่มีในตนคือสร้างอาถรบาลปราชิ้ข้อที่สต่อไปคําว่าอนัตติชานันอนัตติชานันที่แปลว่ไม่รู้อยู่นะครับความจีิสิกขาหมดนี้ตอนแรกออกเสียงอย่างนี้นะเวลาสุนทริโมกข์นะครับโยปะนาปิปุอนาติชานันปุตติริมสัมพมักตุปานานิกัง อัลมามนติยะยะพัฒนน้นสมุชาเลริอาเีนนะอัลละมัติยะยะาัฒน์นั้นเราจะได้นะครับนีรนะว่าอนัิชานันท์ท่านยรู้อยู่นะครับความว่ารู้นะครับรู้มาตอนี่ยไม่มีคุณธรรมยั่วยิ่งเพรไม่เกิดขึ้นในสัญาของตนคนรู้อยู่ในใจนะครับความว่าอุตริมุสธรรมนอีกแั้อุตริมุสธรรมนะครับ จราูต่ต่อไปนะใส่ต่อไปนะครับความ่าทของมนุษย so ์ผู้สูงสูนะครับเนี่ยนะแปลงไม่ได้นะครับทของมนุษย์ผู้สูงสงนะอ่คือมันต่ากันเพวผมี่เียนียกนเลย็มีแปลาของของผู้ยอดเยี่ยอนะก็ใช้ด้วยกัาได้นะครับก็แปลงแล้วก็ ก็าเรใช้คานี้นะวิตริมัณฑสารของผู้ยอดเยี่ยมได้เลยนะทีนีบบน้ในกองการสมรวจว่าคาของลุ่นผู้สูงส่ง น, นะครับคือของผู้ได้ชาและของข้า น, นีเจ้าขึ้นมาเนี่ยนะครับเนี่ยคือว่าคาของผู้ได้ชาของข้ามีเจ้าคืออะไรก็ไม่เกะชาแหละและก็มังขนอะไรนะครับคมว่าตตูปานิการ น, น, นะครับ ที่บอให้น้องเข้ามาในตนนะองค์ตรี <_ C os al> ให้น้องเข้ามาในตนนะครับความมากที่สู่ใจน้อนงคุณธรรมนั้นเข้าไปในตนอวดอยู่ว่ามีในตนหรือน้องต น, นเข้าไปในธรรมนั้นอวดมากตนกลางปมีในธรรมนั้นนะครับเห็นหน้นที่สูด น, น, นั้นึงชื่อวาตูปนานิจกรรนะที่สู่อวดคุณธรรมที่น้องเข้ามาในตนนะคับปวดุณธรรมนะมันจะแน่นแต่ว่าที่น้องเข้ามาในตในก็ได้แต่ตอนที่ัวดแหละใช่ไหมนะ ปวดชื mind lifting, mind lifting iz, ่อว่าน้องคุรมมนเข้ามาในตงนะครับคางคุณธรรมก็ไมอได้ไปรูปประทังนะจะไปจับาห้มนยั้งเ้ามาเนตัวเองก็ไม่ได้นะครับ่าการที่ปวดนะครับก็เรยชื่อว่าเอาคุณธรรมนะเข้ามาในตงใช่ไหมคือพุ่มเหมือนกับว่าสวยู่นะครับแลก็จะเป็นหมือับาคุณน้องคุณรรมเข้ามาในตงนะรีสัมมวหนึ่งครับน้องตอเข้าไปในคุณธรรมนั้นนะคือบอกว่าเองได้มานุ่งอย่างนด้นึงวีใช่ไห้ไ้มานุ่ใช้าได้มารู้มั่ผล มก็เหมือนกับว่าน้องเบนเนี่ยเข้าไปหาความได้น้องสองอย่างนะเราก็กลับไปกลับมาท่านเองนะย้ำปุว่าอะไรนะข้า็เจ้าเราได้บุตรมัชฌานนี่นะข้า็เจ้าได้บุตรมัชาเราก็ข้ากล่ว่าถ้าก่าวว่เกิดได้บุตรมัชฌานใชมีการน้องมีบ่ตรมัชฌานเข้ามาในตนใ่ครับเพราะว่าตวนี้บุตมชาแต่ตอนนั้นแี่ยเราก็ข้ากลว่านะครับน้องเบนเข้าได้นฌานด้วยว่าตนได้ฌาน อธิบานะสัมผัสแสงนะต่อไปในคาว่าอามนิยะญาณทัศน์นันเนี่สามนีนะจมีลอลออีกแลวลออีกแล้วะอารมะญาณทัศนงนะผมว่าทำเป็นข้องนะมนี้นี้นะี่ครับคานี้เป็นชื่อขงปัญญาครับเป็นปัญญาที่เป็นมหาคตานะครับคือพวกวลจรชางตัวบอลจรารนะและอกตรนครับ วา่ ойд, ากระปัญญาให้เราผมกระตากปัญญานะนะง่ายนะครับชื่อว่าญาณนะครับชื่อว่าญาณชื่อว่าญานเพราะว่ารู้แจ้งนะครับแล้วก็ชื่อว่าขัสนะพพราะว่าเห็นโดยประจักนะครับเพราะเห็นจาระธรรมนั้นนะนะโดยประจักนะครับอย่ากเรเห็นดรูปต่านะครับในปัจจุบันเลยนะเห็นรูปต่างๆรูปต่างๆนะครับเหตุนั้นเป็นชื่อว่าญาณขัสนะ เกี่เยเป็นชื่อของปัญญานะมหาปาัญาหรือภูปัญญาบางทียาณทัศนะอันประเสริฐสูง mm hmm. สุดนะครับหรือเราจะบอกว่ายาณทัศนะอันบริสุทธิ์ก็ได้นบางทีญาณทัศนะอันนี้ท่านเอาถนะึงมันเยอะนะได้แน่นอนท่านนี้จะอธิบายว่ยาญาณทัศนะอันประเสริฐอันคืออันหลุนตกนะครับเล่นแก่อันสูงสุดนะชื่อว่าอริยะยาณทัศนะ ก็ยะทัา ศ, าศานะอันสูงสูงนะหรือก็จะว่าอันหมดจบก็ได้นะครับอริยะยะทัศนะนะครับอันสามากเพื่อกำจัดเกลียดไดมีอยู่ในอุตริมนุสธรรมมีชาเป็นต้นนี้เหตุนั้นอุตริมนุสธรรมนั้นชื่อว่าอารามะเบียยะทัศนะนะครับเราได้ยะทั ศ, าศานะใช่ไอุตริมนุสธรรมนะครับอุตริมนุสธรรมก็คืออะไรนั่นก็คือแช่นะครับ พวดชาสมาปฏิปยาเนี่ยนะแล้วก็มะขุมใช่ไหมครับแล้วท่านบอกว่าปัญญาที่เรียกชื่อว่ายาทัศนาเนี่ยก็มีอยู่ในชาหว่ามะขผมนั้นใช่ไหมครับก็เป็นอะไรอ่ะปัญญาในชาเนี่ยชาก็มีปัญญาเจตสิกอยู่ใช่ไหมเขาเรียกว่ารนะชาห น, นส ม, มาธิผีเนี่ปัญญาที่อยู่ในชานเนาะแล้วก็มากข้าส ม, มาธิผีนะตัวตัวอะไรนะส ม, มาธิผีใช่ไหมครับของนั้นนะ ที่อยู่ในมรรคครับมรรคติขกบุญเนี่นะครับ่านบอกว่าอุจจารย์นุสธรรมคือแช่แลก็มรรคผลมีปัญญาตนี้อยู่นะครับปัญญาที่สามารถทำใจัด <in ลี่ยนได้ปัญญาปัญญาที่ช่ว่อญาณขัสนาที่นะครับชื่อว่าอริัญญาขัสนะที่สามารถทำใจเปลี่ยนได้นะครับอุจริรย์นุสธรรมเรียชื่อว่าอริอริัญญาขัสนย ถ้าคนไม่สัตว์ถาบีลีก็มุ่งจะมุ่งถึงไม่ค่อยไม่ค่อยซึ้งเท <c oughs> ่าไหร่นะแต่ละคนได้มานีจะชอบมันของนั้มนมันได้ความหมายที่แบ่ชัดเจนนะอีกอย่างหนึ่งอนุ ญ, ญาตยทัศนะของุตริมสตธรรมนั้นเป็นสภาพที่สามารถนะเห็นนั้นอตริมสตธรรมนั้นชื่อว่าอา ร, รณะอนุญาตยานทัศนะแล้วฟังไปกั น, นะะทีนี้สืบวงอุะริมุธรรม ซึ่งเรียชื่อว่าอารามาอิยายาพัชนะนั้นนะครับคำว่าสัญญาจะลวร้ยายที่เราเคือนป่นวนนะครับหรือเปื้อนาาป่วนนะความว่าี่าาสุทธิ์บวกตรีพุษธธรรมมีประการทังก่าวมาแล้วเข้ามาในตัวผมนะแกมรุดผูนนรู้ความนะปวจะมรุดด้วยับแกเทวานายักเปล่ยที่ไม่เอานะถึงเขารู้ความาขขาที่ไม่ปราณีนะครับต้องแกมรุดผูรู้ความ ดื่อการก็ดีด้วยวาจาพอดีด้วยนั้งสองอย่างก็ดีนะครับเข้ารู้ความในขณะนั้นก็เป็นบัณฑนาชิก น, นะตรงนี้หนือพิชาลี์ดีโดยก่อนต้าใจมีหลงหรือเปล่ป า, ถ, า <c oughs> ถ้าเราเกิดต้นใจมีหลงไปหน้าสี่ร้อยห้าสิบเจ็ดนะครับกองข้างหน้าถ้าเ็าจะพูดถึงผลิตุธรรมนะทาได้ไชาติเตนะครับว่าคืออะไรก็ได้แก่ชาญวีโมสมาที่สมาธ ย่าทัศน์นามะข้องาำนาการทำให้แจ้ขึ้นผลการล่ายทีเรศความเปิดจิตนะเปิดจิตไม่ได้เปิดจิตเฉยนะเปิดจิตจะได้ข้างตัวสัมมุขหนีครับความมียิ่งใหญ่ในวัฏวิบากนี้บนเมชาน้อครับอือครับคุยตรีนุสธรรมนะเอาเร่อนี้มาก็แลวกันเดี๋ยวผมจะพูดทรความตนี้ะครับคุยตรีนัสธรรมคือตรงนี้ถ้าขึ้นมาในนั้นชัดเเลยที่ชื่อว่า ได้แก่อะไรปฐมฌานทุติยฌานปิยฌานจุลฌานนะครับหรือถ้าฌานตัญจกนัยเน่ยก็ถึงฌานห้าใช่ไหมอ่านี่แหละตูวเป็่ยนรูปธรรมขเราข้อแรกนะหมวดแรกหมวดสองก็ได้แก่วิโมกนะครับวิโมกขเป็นชื่อของข้าอาิยมคนะครับเป็นช่ของาอริยมรข้อแรกเป็นสามเยกาวิโมกอันนี้เหียกาวิโมกอันตานอิกาวิโมกนะครับเป็นชื่อของ้าวอาิยมร คือภาพเล้งมากเนะได้ชื่อสาเนี่ยได้ชื่อสุนิสาเนาะสุนิสาเพรา็ว่างตานะเพราะว่างตานะครับเราสามหันด้ไได้ชื่ออันนี้ิาเพราะไม่มีมิ้นเนาะคือไม่มีอาการที่เป็นเหตุให้เกิดทีไรเนาแล้วก็ชื่ออนนี้สนิสาเนเพราะว่าไม่มีนะเว้นจากอนี้ที่มันเว้นจากกิ่แหลกที่ท้านลงครวมีราาเป็นต้นนี่นะแล้วก็สมาธิเราะที่นี่นะ ก็เป็นการกับอุจตาริยสมาธิเรื่องแก่สุญญตสมาธิอนิมิตตาสมาธิปัญญิัาสมาธิตัวนี้ก็เป็นชื่ของพัาเุกรรมเหมกันนะครับและกับอุจาสมาบัินะครับสมาบัตนที่น้เกว่าเป็นชื่อของโคนละสมาบันะครับโคนลสมาบัตินะก็แบ่งเป็นสามเหมกันมีสุญญะตสมาบัติอนิมิตตาสมาบัติปัญญิตาสมาบัติครับแล้วก็ชื่อว่ายานนะครับยานเรื่แก่วิชาสามครับวิชาสามีอะไรว่าครับ อูเพทิวาสามสติญารู้ชาได้ครับตูบคาตญาหินเกิดเรืににに่องบาทของสามอสวาตญาย้ายคาสบายขึ้นไปนะเนี่ยสามนะครับชั่วยาใส่ใจนการสามนะที palab, ่ชั่วมรรคภาวนาครบได้แก่สติปัฏฐานสี่สุมปัฏฐานสี่ที่บาสีอินสี่ห้าห้าห้าโทษคงเจ็ดอนี้ยังมั่งมีคป งานเป็ น, นคนวิบากีย่าทสามสิ <37. 000. S 1> บเจ็ดปัญหาขบวนเลยนะมีข <c oughs> บวนเลยท่านก็จะบอกถั้าสิบปัญหาเฉยยังไม่ถึงัวไม่โดนนะเอกแล้นัสิบปัญหานนี้ท่านครับความหมายสิบปัญหาในโลกีก็มีนะครับก็แรกนะได้แหนะลูกได้าหนะลูกนี่แหละยังไม่ต้องไม่ไม่ต้องกันยังไม่ต้องไม่ต้องต้องประกอบเนี่ย้นสิบปัญหาที่เป็นโกนนลกะนะ ไปบวกกันทั้งหมดนะฮะอย่างเราไอ้แรงรูปยางก็ทอดรู่เป็นนะ้วใหญ่ไม่เป็นก hmm. ็เป็นขั้นช้าหรือว่าม่ผมที่ชื่ว่าการทำให้แจ้งขึ้นผลนะครับก็ได้แส่การทำให้แจ้งขึ้นโสนามีิคนะครับการมีผลอนาคตมีผลแล้วก็อนัาหารบรนะครับการละกิเลสก็ได้แก่การละนานฆ่าโวสามดวงหานะคับการกดก็กดแต่จิตตากรางฆ่าโวสามดวงหานะครับ ยินดเดนละวางเล่ายินดียิ่งนะในเดืนว่างป่าก็ได้แก่ินดีย่ในเดนะว่างเลาด้วยปฐมฌานครับที่ดเยี่มปติญาณชาและสติฌานนี่นะนี่คือบทตรีรู้ถึงคำบาข้าว่าอินติฌานในวิบิติปกานี้ที่แปลว่าข้าพเจ้ารู้อย่างนี้พราพเจ้าเห็นอย่างนี้นี่เที่อวดก็อวไปอย่างนี้ีก็อวไปนะ เราพุทเจ้าให้ปมวชเช้าเข้าปฐมวชเช้าให้ทะลุมา่านนั้นนี้ไหมว่ออาใครครับนี่แหละคนี้นคะครับเป็นคำแสดงอาการปวดจึงอยู่ที่สุภูโอลึกิึกถึธรรมนะบน้อนน้อนเข้ามาในคนโดยเว้นการอ้างดประการอืนอ่นนะเว้นการอ้างูประการอืนอ่นเพราะว่าว่าเราเลยนะหรือว่าามายเลยนคะครับไม่ได้อ้าองใครเพราะมันจะมีการกระดูกรอยอ้อห ที่อ้างว่าี่สูจอยู่ในกุติเบอร์นั้นได้สุณค้าอริยธรรมครับนี่คว่าการอ้างอุปการะอยู่นะอันนี้ไม่อ้างเหมือนอตมาเนี่ยนะครับอ้างโนอนนี่แั่นนีะนี่โอเดตรงเลยนะครับคือว่าอ่วนนะเพราะฉะนั้นในวาระจำแนกบอกึ้อว่าข้าอ้าต่ประเภทแห่งคาที่พิสูจน์อนวนไดไว้ว่าเราเข้าบทศึกษาแล้วเข้าบทศึกษาหรือเข้าถึงแล้วอย่นี้ครับ ประเภทแหตความที่อวดนั้นพระโงดุจ้าว่าสรงข้อข้อในบทนี้ว่าอิทธิชาณิอิทธิภาษาณิเหมือนกันข้าพเจ้ารูอย่างนี้เห็นอย่างนี้ครับก็แล้แต่คำอวดที่ทงตัไว้อย่างนี้ละเป็นกาอ่นนะคข้าพเจ้าอุ่นใส่เพื่อสวดพระเพลิ่ขออวดนี้ว่าข้าพเจ้าเอเข้าไปผูมัชายะหนึ่งนะสองเข้าไปผูมัชฌาย เข้าปฐมชาตได้แล้วเลครับเรื่อยเข้าปฐมชาติได้แล้วไปผู้หน้าสฐมชาเป็นผู้สนาญสมชาติไปผู้ทำไม่แจ้งปฐมชานะครับไปเรื่อยๆจนถึงนู่นัอนปฐมชาติเป็นก้นใช่ไหมจนไปถึงคาว่านะครับไปพูดทำไม้แจ้งอนุัตตผลนะครับอย่งนี้นะวิธีกางอื่นหรือถ้าเปเกี่ยวกับการละนะครับละข้าพเจ้าละละข้าแล้วโกฐาและบุษฐานแล้วมีคาที่เป็นไว้คนเราเข้ามาละย่งแย้นะ ลากแล้วสลับแล้วปล่อยแล้วคลแล้วสลับแล้วเ่ิดแล้วขอแล้วเท่านั้นนะหรือจีบเขาเขาก็เจ้าเปิดแล้วอะไรข้างตัวหาดูหาดูยากเหมือนครับก็อยู่ในคำนี้นะผมค่อยคำว่ามีจีบชายมีจิบปัญหานี่ครับความจริงเมื่อวิสุทธิถามว่าเรารู้อย่างนี้เห็นอย่างนี้ครับชื่อว่าจะตัดเดี๋ยวค่อยคำนี้อย่างเียวก็หาไม่ครับที่แค่วิสุทนั้นได้แสดงอย่างนี้ว่า คำนี ini, ้ช <t om this life> ื aja, like ่อว่ามีอยู่ในเาอย่างนี้อย่างนี้คือเมื่อหนาอยังไงนะก็เรียกชื่อว่าแสดงครับแสดงว่าเนี่ยแสดงว่าคำนั้นนะคำนี้ถ้าบวชครับมีอยู่ในเงาอย่างนี้อย่างนี้เมื่อผู้บานเข้าไปจ้างเข้าบวชสมัชชานี่ไหมก็เพราะกำลังมองว่าเนี่ยตัวเองนั่บนสมัชชามีบนสมัชชานี่ไหมครับหรือว่าบรมมรชชามันมีอยู่ในเงาครับเปล่าถ้าแบบนี้ ถมาว่าด้วยว่าด้วยวิสทธาความเป็นต้นว่าเราเข้าบัถรหวงมัชายแล้วเข้าบัตรหลมชฌาอยู่เข้าแล้วงานนี้ครับชื่อว่าด้วแสดงเตยมุตตะเทในตนเพราะเห็นมีการเข้าหลวมัชายเป็นต้นเห็นแล้นพระพทธเาตรึงกล่าวว่าานั้นะจำแรกบทที่พระพุท่เจาต่างประเทแห่งคำที่วิสุทธ์ปวดใดไว้ว่าเราเข้าบัตรหวงมัชายแล้วเข้าบัตรหมัชฌายอยู่เข้าเสร็จแล้วดานนี้ครับ ประเภทให้งความที่ปวดนะครับผมเนาะคือทราบว่าสคงา้อข้อในบวนี้ว่าอิปิชาณิปิปัสาิหนึ่หลายการนะก็อยู่ในความนี้คุมนะพระพุทธเจ้ารูอย่างนี้ปวอย่างนี้นะท่านพระเจ้ารูอย่างนี้เห็นอย่างนี้นะคุมความปวดทุอย่างหมดเลยไอเจปิชาณิปิัสานิหนึ่ายการอีกอ้อมเป็นข้อข้ ก็มีมาลีก็พูหลายนะไรกินกี่ตั๊กรองปหลายนะอย่างนี้ครับ่อกว่าอบาง็ไม่ได้พิสท่นบอกนะครับท่านบอกว่ามีคาพูดอะไรนะการกินต้องจะทำนะครับท่านบอกว่าแล้วก็หลอวงเาไว่้นกัิอยู่อาชีพนีนะครับ ในการกลับมาถล่มแลอกมาหอกอาชีพนี้การเป็นมิจฉาชีพขั้นสุดยอดครับ้นสุดยอดเลยนะแม้สมัยที่กูยังใช้ได้ครับสมัยก่อนใช้ได้เคยก็หลอเชื่อนะแม้สมัยที่กูยังใช้ได้เลยครับใช้ได้มีด้วยนะใช้ได้ครับมิจฉชีพก็ได้หลอด้ช่อเลยนะครับ เป็นคนเดียวนะคนมือใส่กับนาดีนะครบหลอกคนที่นี้เป็นยาในน้อยน่ามแต่บล็อกต้งเก็บยาอหลอกได้ไหมไมต่อไปนะครับต่อไปคำว่าครับตะตออปาเร่ะนี่ยสมัยเยนะโดยสมัยอีหลัจากนั้นครับความว่าหลังจากตรวจเสร็จแล้วเราเวลาในเวลาหนึ่ง คำคำนั้นเรเป็นคำแสดงเวลาเหตงการณรว่าต้องอาบัดนะรู้ไหมครบและิสนี้ต้องอาบัดในขณะที่หัวแล้วนั่นแหละนะครับคือเมื i, ouais. see, aban, uh ่อหวแล้วหัวแกบุคคลผู้มีชาติมนุษย์ใช่ไหมรู้ความนะครับเขารู้ความในขณะนั้พกนั้งทีเลยวิสุก็เป็นปาราชีเมื่อหัวเสร็จก็รู้ไปปรราชไมอไอย่างนี้ครับแต่ข้อวิสุินี้ต้องอาบัดนะครับ แต่ผู้พิจารณตกทวงก็ตาไม่ตกทวงก็ตางนะัยังแสดงตอนว่าเป็นุิจารณานั้นคือว่าพระเจ้าสั่งว่าจะมีใครพูดก็ตางไม่มีใครพูดก็ตาคือในสามท่านจะว่าอะไรนะอืมตัดตัวไปนะสมณะวยอสมณลุกข่ยยะมามุวาใช่ไหมอาสมณะลุกข่ายยะมาวจะมีใครถือเอาตาก็ต่างใช่ไหมไม่ถือเอาตาก็ต่างนะครับ ในที่นั้นนะครับหมายก็ว่าเมื่อท่านอวดไปย่านนี้นะจะมีคนมาโจดเพื่านก็รหนว่าไม่มีใครพูดถึงนี่ก็ได้แต่ถ้าว่าโกงนะเขารู้ความถนัดนั่นเนี่ยถ้าว่เป็นประนชุดอะไรต่าประุดอะไรนะครับนี่นะครับนี่หี่้าดนครับนี่ผพลาะครับอามืแล้วงนี้นะมือดฟันี้ก่อนก็คือเรตัวนี้ก็บอกว่า เ ก, กี่ยวกับขวดเลยนะเจริงอยู่นะครับเมื่อขวดสตรีมุสะทํทาแกะคนเหล่า น, นี้ย่อมเปจะขวดเมื่อขวดแกะเทวดานะครมาคงหรือแม้แกะเปลตยัางและสิริษฐานหาเป็นขวดได้ครับต้องเป็นวันพรุ่งที่นีชาตมาลบนะครับเพราะว่าวั น, นี้จบแค่ขวดเลยทำทา ข่าวต่อไปค่อยมาดูนะท่านวิีสอสิอบสวนนะครับว่าคนนี้ได้เป็นทางาชการจริงหรือไม่ครับแล้วก็เกี่ยวกับอะไรนะคนที่ก็ได้สัมันธ์ต้นบ้านต้นรุ่เป็นขนนนนนน้าราชการดริงไหมแม่ผม109ครับ6 109กับ6นน2 2นะ